ย้อนไปเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนเราจะมารับราชการเราทำงานกับเอ ก, กชนมาก่อนทำที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพนี่แหละในตำแหน่งพนักงานบัญชีซึ่งออฟฟิศของแผนกบัญชีจะอยู่ติดกับลานจอดรถชั้น3ของโรงแรมส่วนลานจอดรถชั้น2จะเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ตัวโรงแรมเราทำงานที่นี่ไปตามปกติวันหนึ่งเรากับน้องในแผนกได้เดินลงมาชั้น2 เพื่อจะไปทานข้าวที่แคนเตนของพนักงานระหว่างเดินอยู่น้องก็บอกว่าพี่พี่หนูว่าหนูได้กลิ่นเหม็นๆอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ได้กลิ่นนะแต่ก็บอกน้องไปว่าสงสัยหนูตายละมัง้งเดี๋ยวค่อยแจ้งแม่บ้านแล้วกันแล้วก็ไปทานข้าวกันตามปกติพอทานข้าวเสร็จเดินกลับมาทางเดิมไปเจอพี่คนขับรถของเจ้านายพี่คนขับรถก็บอกเหมือนกันว่าเหม็นเน่ามากเลยตรงนี้กลิ่นมาจากไหน พี่เขาพยายามเดินตามหากลิ่นนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรจนตอนเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นมาทำงานตามปกติกลิ่นแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเหม็นมากกลิ่นทะลุมาถึงชั้น3าแผนกบัญชีเลยทีเดียวเจ้านายเอ ง, งลงรถมาก็ได้กลิ่นคราวนี้ต้องเรียกรอปภของโรงแรมหลายคนมาช่วยกันหาผ่านไปสักพักเริ่มรู้ว่ากลิ่นมันรุนแรงตรงด้าน บ, นบนบริเวณระเบียงลานจอดรถชั้นสอง เลยให้แผนกช่างปีนขึ้นไปดูลักษณะระเบียงลานจอดรถมันไม่ได้กว้างเหมือนกระดานครึ่งแผ่นแค่เอาไว้พอให้ช่างเดินได้เท่านั้นเองปรากฏอยู่ตรงหน้าช่างเมื่อมองทะลุ ก, กระจกที่ฝุ่นเกาะเต็มพอได้เห็นลางๆมันคือศพศพที่ขึ้นอืดเต็มที่หนอนชั ย, ยโย้เยะจากนั้นก็แจ้งตำรวจและมูลนิธิให้มาเก็บไปตามระเบียบแต่กลิน่นมันก็ยังไม่หายเท่าไหร่ก็ดีขึ้นหน่อย สรุปสาเหตุที่ตายเนื่องจากตกตึกผู้ตายเป็นคนในพื้นที่ที่ขึ้นไปยังลานจอดรถชั้น10ของโรงแรมซึ่งเป็นห้องสนุกเกอร์และมีเครื่องดื่มต่างๆผู้ตายเป็นโลคสมเศร้าแต่จะชอบเล่นพนันสนุกเกอร์วันนั้นเล่นจนเกือบตีสองแล้วเสียหมดตัวคงเกิดอาการเครียดและเดินลงมาสู่บุรีระเบียงลานจอดรถชั้น9แล้วคงคิดสั้นกระโดดลงไปฝั่งที่ผู้ตายกระโดดลงไปจะอยู่ด้านหลังติดกับบ้านร้าง เลยไม่มีใครสังเกตเห็นมีเพียงก้นบุหรี่กับรองเท้าของผู้ตายที่กองไว้อยู่ชั้น9 1เดือนผ่านไปจนเกือบจะลืมเหตุการณ์นั้นวันนั้นออดิตเข้ามาตรวจสอบบัญชีเราและพนักงานคนอื่นๆก็เลยต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกเรียกว่าโตรุว่วงเลยก็ได้ประมาณเกือบสี่ทุ่มมีพี่คนหนึ่งเขาท้องอ่อนๆทาล่วงเวลาไปได้หน่อยเดียวก็ขอกลับบ้านก่อน พี่เขาออกไปได้ประมาณ10นาทีก็วิ่งหน้าตาตื่นน้ำตาคลอกับเข้ามาที่ออฟฟิศเราเลยถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบแต่แต่วุ่นวายโทรให้แฟนมารับแล้วก็ไม่พูดอะไรเอาแต่นั่งร้องไห้รอแฟนมารับกลับไปพวกเรายังแปลกใจว่าพี่เขาเป็นอะไรจนเวลาผ่านไปถึงตีหนึ่งเรากับน้องต้องขึ้นไปเอาบินเก่าจากแคสเชีย์ที่ห้องสนุกเกอร์แน่นอนมันอยู่ที่ชั้นสิแล้วเรื่องนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้ง ่จะไม่ไปก็ไม่ได้สรุปขึ้นไป3มคนเลยชวนพี่อีกคนไปด้วยจากลิฟต์ชั้น3ขึ้นไปชั้น10รู้สึกเหมือนเวลามันช่างยาวนานพอลิฟต์เปิดแทบจะกระโดดออกเลยกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่ห้องสนุกเกอร์ทันทีพอไปถึงแคชเชียร์ก็หาคูปองเอกสารให้เราแต่มันยังไม่ครบก็ต้องเอาเท่าที่ได้มาก่อนเพราะฉะนั้นมี1คนที่ต้องรอส่วนอีกสองคนคนเอกสารลงไปก่อนพี่ที่มาด้วย อาสารอให้เรากับน้องลงไปก่อนเรายืนกดลิฟที่ชั้นสิบเพื่อลงพอลิฟต์มาเรากับน้องก็เข้าไปบอกตรงๆว่ากลัวมากกลัวแบบสั่นจริงๆัพอลิฟต์ปิดลิฟต์เจ้ากรรมก็ดันมาเปิดที่ชั้น9น้องนี่น่าเสียเลยพยายามกดปิดรัวๆแต่มันก็ไม่ปิดให้เหมือนค้างอยู่ที่ชั้น9เราเลยบอกน้องวิ่งลงไหมน้องก็โอเคพอเดินออกมาจากลิฟต์ลิฟต์ปิดทันทีแล้วก็ลงไปซะ ง, งั้นเรากับน้อง รีบจำไปที่บันไดหนีไฟเพื่อจะเดินลงไปชั้น3มมือก็ถือลังเอกสารช่วงเดินลงอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนไอกละแฮมขึ้นมาน้องรีบบอกว่าอย่าหันนะพี่อย่าหันตอนนั้นเราสองคนน้ําตาไหลพักคเลยขานี่แทบจะก้าวไม่ออกมันสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วเสียงไอเหมือนมันค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนมาอยู่ชิดหลังเรานี่เองเราไม่กล้าหันไปมองเลยบอกน้องทิ้งงานไว้ตรงนี้แล้ววิ่งไหม แต่น้องบอกว่าพี่เรากวดน้ำให้เขาดีไหมแล้วเรากับน้องเลยยืนท่องสับเพสับตาจนเสียงไอหยุดไปเราเริ่มโล่งใจขึ้นหน่อยแต่แล้วช่วยอึดใจเดียวเราก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่ากูไม่อยากได้บุญกูอยากได้ของกินเรากับน้องหันไปตามเสียงเจอเต็มเ็มเลยสภาพเหมือนตอนที่เขาโดนเก็บศพลงไปอย่างนั้นขึ้นอืดเต็มที่เท่านั้นแหละเราสองคนช็อกหมดสติอยู่ตรงนั้นเลยมตื่นอีกทีตอนตีส ผู้จัดการบอกเรากับน้องหายไปนานจนพี่คนที่รออยู่คนเดียวไม่กล้าลงมาพี่เขาเลยแจ้งรปภเล่นเอาต้องยกขโยงกันมาตามหาแล้วมาเจอพวกเราที่บันไดหนีไฟชั้นเก้าเราเล่าให้ผู้จัดการฟังพร้อมกับเพื่อนๆในออฟฟิศถึงกับกลัวกันทุกคนเลยแถมผู้จัดการยังเล่าอีกว่าพี่คนที่ท้องที่กลับไปก่อนเขาก็กดลิฟต์จะลงแต่พอเข้าลิฟต์ไปปรากฏว่าลิฟต์พาขึ้นไปชั้นที่9แล้วเปิดออก ได้ยินเสียงคนพูดว่าหิวหิวหิวหิวจังแล้วก็ไอพี่เขากดปิดลิฟต์รัวๆลงมาที่ชั้นสามแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาในแผนกตอนนั้นพี่เขายังไม่กล้าเล่าเพราะยังกลัวมากพอตอนเช้าหลังจากการตรวจบัญชีจากกอดิตเสร็จเรียบร้อยเจ้านายเลยให้ร่วมกันทําบุญทําทานไปให้เขาคนนั้นหลังจากนั้นมาเคยมีคนเจออีกไหมเราก็ไม่รู้แล้วพอเราลาออกจากที่นั่นทันทีเลย